เนียยารู้ว่าไอ้ทุกอันนี้เนี่ยเท่ากับคูณอะไรไว้ก่อนคูณสองร้อยหนึ่งไว้เสมออ่านะหลักการตรงเนี้ยเปลี่ยนแต่หลักการตรงเนี้ยเป็นธรรมะสองร้อยหนึ่งนะเป็นธรรมะสองร้อยหนึ่งเนี่ยนะคือหมุนเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไขครวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่านะถามว่าถ้าคนจะพิจารณาอย่างนี้แล้วเปลี่ยนวัตถุทั้งสองร้อยหนึ่งนะถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยทาได้ไหมทุก สมุทัยนี่ก็เริ่มง่วงไปเยอะแล้วมิโรดก็เกือบหลับแล้วนะทั้นถ้าสมาธิไม่ดีเป็นต้นนะถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็หลับเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้จาเป็นจะต้องอาศัยสมาธิอย่างมากนั้นพระองค์บอกว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อเจ อ, อเธอเจริญสมาธิแล้วจักรู้เห็นตามความเป็นจริงจักรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรก็รู้เห็นความเกิดดับของ ทุเป็นต้นนั่นแหละก็คือรู้เห็นพวกเนี้รู้เห็นอริยสัจเหล่านี้นี่แห ล, ละท่านถ้าไม่มีสมาธินะก็ยากแต่ถ้าใครสมาธิดีอยู่แล้วพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้เลยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ย น, นะก็ขพระองค์ที่ชี้กับบางคนเพราะว่าเขาเหล่านั้นกิจต่าวพิสุธทธิ์ไม่ค่อยดี น, น, นะนะก็คื อ, คอต้องชี้ชัดชี้แนะออกไปทั้นวาระที่สี่ะนะรอบที่สี่ก็คงคงพอเข้าใจพอสมควรนะนะ แต่ว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะจะเข้าใจดีก็คือหมั่นสาทยายบ่อยๆ อ, อีกระยะหนึ่งแล้วความเข้าใจจะค่อยๆมีขึ้นโดยการศึกษาพระธรรมที่อื่นๆแล้วก็โดยการพิจารณาในที่อื่นๆประกอบด้วยทีนี้มาดูข้อที่อรอบที่ห้าเลยนะข้อสิบสี่ข้อสิบสี่นี้แสดงตามสัตจธรฐานสูตรเลยแนวเดียวกันกับสัตจธรฐานสูตรเนี่ยนะรอบที่สี่เนี่ยนะ สัตตถฐานสูตรก็คือสัตต์แปลว่าเจ็ดฐานะก็คือเหตุนนะเหตุเจ็ดประการเนี่ยนะเจ็ดประการก็คืออะไรหนึ่งทุกสองทุกขสมุทยัยสามทุกขนิโรธ4ี่ทุกขานิโรธาคาามินีปฏิปทาห้าอัสาะหกอาทีนวะเจ็ดนิสระณะเนี่ยนะก็อัฏฐิจง ทุกทุกคสมุทยัยทุกคณิโรทุกคณิโรธค ข, ข, ขาไมนีปฏิปทาก็คลุมอยู่แล้วแต่ก็แสดงเพิ่มว่าสมุทัยคืออัศทะคุณแห่งทุกข์นะตรงนั้นเนี่ยวงเล็บเสมอนะว่าหมายถึงอัสาธะโทษแห่งทุกข์ก็คืออารทินะวะส่วนนิสสารณะเนี่ยนะเป็นชื่อของทุกคณิโรกับทุกคนิโรทคข า, ขามินีปฏิปทาเนี่ยนิสสารณะเนี่ยได้สองอย่างคือนิสสารณะคาเดียวเนี่ยหมายถึงอริยมรรคกั พระนิพา น, น, นอาริยมรรตกับพระนิพานเนี่ยคำว่านิสรณะนาเนี่ยสองอย่างเลยฉะ<ล>นั้นเราตามแนวสัตตัธฐานสูตรเนี่ยนะก็เอามาวิจัยทุกอย่างเลยนะทั้งสองร้อยหนึ่งข้อเอาสองร้อยหนึ่งข้อมาพิจารณาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นรูป<ส>เหตุเกิดของรูปความดับรูป<ส>ปฏิปทาอันให้ถึงความดับรูปอัาธาแห่งรูปอาทินวาวะแห่งรูป<ส>แล้วก็อุบายเครื่องสลัดออกคือนิสระแห่งรูป<ส>ถามว่าถ้ารูปคืออะไร ภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเห็นให้เกิดรูปคืออะไรเพราะอะไรเกิดรูปจึงเกิดเห็นเห็นเลยก็เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดเห็นเห็นเลยนะถ้าอาหารไม่บำรุงเลี้ยงดูไม่จะนึทุกวันอยู่ได้ไหมไม่ได้นะที่เจริญเติบโตก็เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดเพราะว่ามหาภูตรูปเนี่ยนะถูกตัวทั้งรูปเหล่านั้นเกิดจากตรมเกิดจากกิตเกิดจากอุตุก็จริงอยู่ ถ้าไม่มีอาหารชรูปล่ะเพราะอาหารชรูปเนี่ยทำอุปธรรมอุปการกะใช่ไหมอุปธรรมไอ้รูปที่เกิดจากกรรเป็นสมุทฐานจิตตสมุทฐานอุตูสมุทฐานและทําอาหารสมุทฐานให้เกิดชนะกะสสติกับอุปธรรมภะกะสัสสติกอาหารชรูปนั้นเนี่ยไปไปอุปธรรมกรรมเชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปแล้วไปทําให้อาหารชรูปเนี่ยเกิดขึ้น พันธอาหารเกิดเนี่ยรูปเหล่านี้จึงเกิดจึงดำรงอยู่กรรมาชรูปถ้าขาดอาหารถ้าเหตุเทวดานี่เห็นชัดถ้าลืมกินมื้อหนึ่งตายอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าขาดอาหารแม้แต่มื้อเดียวนะ้อยู่ไม่ได้ทุกการอย่าไปลืมทานอาหารห น, <c oughs> นึ น, นะออกก็ห้ามลืม อ, ะอ่ะนะเป็นยาที่เรียกว่าเหมือนกับกลุ่มยามานอย่างนะคุณเรียกว่าอยู่ดีจริงอ่ะแต่ว่าลืมกินอย่าลืมกินยานะ จกเห็นโทษในสวรรค์นะนะพุกานะนะอย่าอย่าลืมกิทานอาหารนะถะเผลอมือเดียวตายเลยเผลอมือเดียวก็เกิดใหม่เลยนะนเรักษาศีลอุโบสถแล้วไม่ได้เลยโอ้ยเขาไม่รักษาศีลเป็นภูมิของผู้สวยผลบุญกันเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าดีแล้วพี่สู่ทั้งหลายที่เธอเนี่ยไม่ได้ไปเกิดในนรกเพราะในนรกนะผัสสะอะไรมันทุกไปหมดเลย ถ้าสวรรค์ก็ดีแล้วที่ไม่เกิดสวรรค์เพราะมันสุกอย่างเดียวเนี่ยนะพวกนรกกับสวรรค์ก็ไม่ใช่ที่ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไหนมนุษย์นี่มันดีที่สุดนะว่างั้นที่เธอทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ลืมทานอาหารสักมือสองมือก็ยังไม่ตายใช่ไหยสักสามวันก็ยังไม่ตายถ้าสวรรค์ไม่ได้นะมือเดียวนี่เดือดร้อนนะพราอมือแต่เที่ยวเพลินใช่ไหมลืมกินเข้าไปเนี่ยเกิดใหมท่ทันทีเลยอ่จุติเลยเขาบอกว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้น เหมือนดอกบัวที่เอาไปตากแดดเนี่ยนะดอกบัวถอนแล้วมาตากแดดนะตอนเย็นนะเอาน้ํามารดใหญ่เลยไม่ได้เพราะตีโชทาตของเทวดาเนี่ยแรงมาก น, นะเป็นก็เรียกว่าใช้พลังงานสูงมากจริงๆอ น, นะถ้าปืนไม่พอนี่เผาเกลี้ยงหมดอะเผากำมาชรูปตายเลยนะก็เรียกว่าตายเพราะหมดอาหารเทวดาเนี่ยตายเพราะหมดบุญตายเพราะหมดอาหารตายเพราะสิ้นอายุอ น, นะ ตายถ้าหมดบุญเนี่ยพวกนี้บางทีอาจจะมีอายุแค่สามวันสี่วันอายุสามเดือนสี่เดือนสามปีสีปีร้อยปีอะไรเป็นต้นเนี่ยอันนี้หมายความว่าบุญน้อยนะก็เลยสวยสุขได้น้อยอะ่ะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกเพราะว่าหมดบุญนะทุนไปน้อยนะเขาก็ให้เหมือนกับว่าบไปบางแห่งใช่ไหยตามแตส่สตังที่เอาไปนะถ้าเอาสตังไปมากก็อยู่ได้นานสตังน้อยเขาก็บอกออกได้แล้วหมดเวลาเนี่ยนะมันเหมือนว่ามันต้องหยดด้วยอ่านะ เนี่คยคือเรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุสองตายเพราะสิ้นอ่าขออภัยนะเมื่อกี้ตายเพราะสิ้นบุญข้อแรกเมื่อกี้นะที่ทาหมดบุญแล้วตายเลยอายุเงื่อนไขเขาจริงอยู่ก็เออนะเก้าล้านปีสามสิบหกล้านปีห้าร้อยกว่าล้านปีเป็นต้นเนี่ยที่เขาอายุเยอะๆอย่างนั้นอ่ะนะมาตรฐานเขาเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปอยู่อย่างนั้นหมดอย่างมนุษย์ยุคนี้เกณฑ์เฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบห้าปีถึงกันหมดไหมล่ะ บางทีอาจจะสิ้นบุญเนี่ยนะตายมันก็อยู่ในคำอย่างเงี้ยนะตายก็เกิดได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเพราะหมดบุญละอย่างที่สองก็ตายเพราะหมดอาหารเออตายเพราะขาดอาหารเป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะเทวดานี่ไม่มั่นคงเลยนี่ยมนก็ถ้าลืมบริโภคอาหารก็ตายเร็วอย่างต่อไปเนี่ยก็ตายเพราะอะไรตายเพราะหมดบุญตายเพราะหมดอาหารกับตายเพราะหมดอายุขัยนะถึงบุญมีเยอะอะไรมีเยอะก็ตามก็ตายเพราะสิ้นอายุขัย สิ่อายุขัยแต่พวกมีบุญมากก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมเทวดาเขาพาไปสวนนันทวันก็นึกถึงบุญแล้วไปต่ อ, อยังไงนะทำไมว่ามันต่อพระวิซาได้อะ <c oughs> บุญไม่ดีก็หมดตัวแล้วกันนี่ลงไมคทีหนึ่งอ้าเลยมนุษย์ไปเองเนะลยลําบากมากเลยนะ <c oughs> มีอยู่ไลายมีอยู่สูตรหนึ่งพวกบอกว่าเทวดาที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยน้อยนักที่ไปอบายมีมากกว่าทําไมอ่ะคิดดูนะว่า โดยมากเนี่ยนะเป็นอยู่ดาวประเด็นเก้าล้านปีนะแทบไม่เป็นบุญอะไรเลยนะถ้าถ้าเจ้านายไม่เป็นนักบุญจริงๆนะถ้าเท้าจาตุมเป็นต้นไม่ใช่นักฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยเดือดร้อนนะถ้าเท้าสกาวไม่ชอบฟังธรรมพาไปเที่ยวสวนอย่างเดียวเนี่ยท่านบุญเยอะเนี่ยท่านไม่ค่อมีปัญหาใช่ไหมแต่เราบุญน้อยเนี่ยสิเปรียบเหมือนอย่างว่านะในกลุ่มที่เขาแวดวงบางอย่างนะถ้าเที่ยวบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี ไอ้เข้าเนี่ยไปเที่ยวได้ทุกคนทุกแห่งกลับมาก็ยังสบายอีกพวกหนึ่งอ้าวหมดสตังค์ไปแล้ว น, น, นะเที่ยวไดหน่อยเดียวหมดตัวแล้วอย่างไงเธอคือมันไม่เท่ากันจริงๆเพราะมันอยู่ด้วยกําลังกําลังบนนะ่ะนะพันรูปเกิดเนี่ยเพราะอาหารเกิดนะดํารงอยู่ด้วยอาหารจริงๆแม้กระทั่งหมู่มนุษย์เทวดาทั้งหลายนี้อาศัยอาหารเนี่ยเป็นเครื่องดํารงอยู่ถ้าสิ้นอาหารนถ้ายิ่งโรคบางโรคนะโรคหัวใจถ้าขาดยาเป็นยังไง ปูการนี่ถ้าลองมาอยู่กรุงเทพสักสามสักอาทิตย์หนึ่งนะลืมเอายามาด้วยนี่ก็เริ่มรอแร่แล้วล่ะไม่แน่สามเดือนผ่านไปอาจจะถ้าไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทานยาชนิดนั้นนะยาลดความดันไม่แน่นะ่อาจจะเพิ่มขึ้นสองร้อยก็ได้พุ่งกระฉูดขึ้นเลยก็ได้เพราะอาหารเนี่ยอาหารชรุวนี่จะจะว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้นี่ดีนะความดันถ้าหัวใจหนักตวนนี้โรคหัวใจนี่ข า, ขาดยาได้นานห ไม่นานน้ก็ต้องโหจะต้องเติมกันอยู่ด้วยเติมกันอยู่ด้วยนะแล้วก็หลายๆโรคด้วยนะก็ที่เรียกว่าขาดยาไม่ได้เลยถ้าขาดยาหมายถึงว่าเตรียมเกิดใหม่ท่านยาก็คืออาหารนั่นแหละนะสิ้นยาก็เกิดใหม่เพราะนั้นอาหารเกิดรูปจึงเกิดถ้าอาหารดับรูปก็ดับเนะแต่ถ้าจะดับถาวรจริงๆต้องดับฉันทราคาด้วยแต่ถ้าตามภพภูมินะถ้าอาหารดับรูปดับ เช่นถ้าเป็นมนุษย์นะทักสิ้นอาหารก็ถือเป็นอันสิ้นชีวิตถ้าจะสิ้นการเกิดจริงๆต้องสิ้นตันหาด้วยนันถ้าฉันราคะดับอาหารดับนี่ดับดั บ, ดบถาวรเลยนนี้ดับสิ้นเชิงแบบพระพุทธเจ้าหรือแต่ผ้าอาหารทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทิ้งรูปแล้วไม่ถือเอารูปอีกต่อไป